ท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัสนิสนทนาดําเนินรายการโดยสันนิษฐานาคุงผ่านช่วงเวลาที่พบกับพระมา ช, ชาควรโรวัฒนาปภพงศ์ลำนุกาคลองสิทธิ์ที่ผ่านมาตอนนี้เราก็มาพบกับพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือพระพบูลุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีช่วงลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะน้อมสักการกัะท่านค่ะทานอาจารย์ปานค่ะท่านอาจารย์ค่ะสำหรับวันวิสาขบูชา พูดถึงในประเทศไทยเรานี่ก็ตื่นตัวกันมาหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขาบูชาโลกใช่หลายปีแล้วปีก่อนสองปีก่อนนั้นก็ใช่เราทำมาแปดครั้งแล้วค่ะ<อ> <laughs> คือหมาถึงว่าเป็นครั้งที่แปดซึ่งดิฉันได้มีโอกาสได้ ร, ร่วมในกิจกรรมเมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมาค่ะก็ได้ฟังท่านอธิการบ ด, ดีมหาจุฬาพระธรรมโกศาจารย์ซึ่งท่านเป็นประธาน คณะกรรมการจัดงานในส่วนของนานาชาติของวิสาขาบูชาโลกเนี่ยท่านก็ได้พูดในทำนองที่ว่าการรับเป็นเจ้าภาพนี่เป็นงานที่หนักมากม น, นะคะและ้แลแลวท่านก็บอกว่าจริงๆปีหน้าถ้าเป็นไปได้ถ้าประเทศอื่นเขารับไปก็จะดีเพราะว่ามีกิจกรรมสำคัญที่ทางประเทศไทยเนี่ย จะต้องดำเนินการอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน อ, อย่างไรก็ตามในความเป็นคนไทยที่เป็นเมืองพุทธมีคนนับถือศาสนาพุทธเยอะถึงขนาดที่เขาให้พุทธมนตรใช่ไหมคะมเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาโลกอ๋อดิฉันก็ต้องถือว่าเราภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นกิจกรรมนี่งดงามแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีมาตรฐานนะคะท่านคะที่ในส่วนของคนต่างชาติมีนักบวชด้วย ก็มาร่วมประชุมกันอยู่เป็นจานวนมากแล้วก็ได้ประชุมกันทางวิชาการกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว mm hmm. เรื่องพุทธธรรม ก, กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอะคะ่ะ mm hmm. เป็นประเด็นหลักที่ทางยูเนสโกเขาคือดิอฉันขออนุ ญ, ญาตนะครับเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับวิสาขาโลกเนี่ยเขาได้คัดเลือกมาให้ศึกษากันก็มีศึกษาแยกออกไปเป็นในเรื่องของ เ, อเรื่องของภาวะผู้นาที่นา พุทธธรรมไปใช้เรื Russians, Hour, Pourquoi, vaccine, um, ่องของการจะนําพ pues ุทธธรรมไปใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจะสร้างสังคมที่ปรองดองกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอค่ะในส่วนของวัดของท่านได้ประกอบกิจกรรมอะไรกันบ้างล่ะคะในวันวิสาขอวิสาขบูชาก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันค่ะก็จะมีญาโยมาวัดบ้าง ัแต่ว่าก็เหมือนปกติไม่มีอะไรมากเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรก็จะมีคนมาก็แสดงทำให้ฟังได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของอที่เขาให้ความสงคัญกันมากในระดับโลกก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกโดยยูเนสโกประกาศมาเมื่อหลายปีก่อนก็จึงนำมาสู่การที่จัดงานวิสาขะโลกนี่แหละค่ะแต่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นวันไหนก็เหมือนกันหมดเหมือนกันในแง่ไหนกัท่านคะ เหมือนกันในแง่ที่ว่าทําแล้วได้ผลทำแล้วเห็นผลแล้วใครๆก็ทําได้อย่างคนปัญหามันคือว่าไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ได้ผลปัญหามันคือคุณไม่ได้ทําคนที่ไม่ไทําก็อาจจะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่ววาสมณะโคโดมเนี่ยเาก็นี่เขาตั้งวันนี้ให้คุณมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าคนแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นพอคุณรเลือกถึงวันวิสาขาบูชาโอ้โหพระเจ้านี่ก็มีนะคนแบบนี้นะเรายิ่งควรจะต้องมีความมั่นใจในการปฏิบัติให้มันมากขึ้นะ ค่ะท่านแค่ความจริงแล้วเนี่ยวันนี้ดิฉันเองก็อยากจะพูดถึงเรื่องของสัมมาวาจาให้มากด้วยเหมือนกันนะคะใช่ใชดีแล้วเหตุเพราะว่าเหตุเพราะว่าวันที่สิบแปดเนี่ยค่ะเป็นวันที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะเปิดการถแถลงข่าวรณรงค์ให้คนไทยได้รู้จักหัวข้อธรรมในเรื่องสัมมาวาจาแล้วก็ได้พิจารณาว่าเห็นด้วยไหมกับการที่จะปฏิบัติตามหลักการสัมมาวาจา แล้วถ้าเห็นด้วยก็ให้แสดงเจตนาแต่ไม่ผูกมัดเกินไปเพียงแค่ขอให้บอกว่าตนเองเนี่ยจะพยายามพูดสัมมาวาจาแล้วก็ลงนามกำกับถามว่าทำไมต้องลงนามกำกับมันก็เป็นการแสดงเป็นรู ป, ปรธรรมลงนามที่ไหนให้ลงนามไปในใบไม้ที่ทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ตลอดจนกระทั่งท่านที่เข้าฟเข้าไป ที่ชื่อของโครงการนี้นะคะชื่อโครงการพูดชอบนะคะก็<ม>สามารถที่จะไปลงนามของตัวเองลงบนใบไม้อิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยใบยไม้นี่จะลอยไปติดบนต้นไม้มภายในระยะเวลา84วันเหตุใดจึงต้องเป็น84วันเพราะโครงการนี้นอกจากที่จะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วอีกส่วนหนึ่งนั้นเราเห็นว่าสำคัญมาก เจ็ดรอบพระชนพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวก็จะ84ดพรรษาใช่ัหยคะจึงจะใช้84วันนี้รวบรว ม, รว ม, รวมการลงนามเห็นชอบกับการพูดชอบพูดสัมมาวาจานี้ให้ครบ8ดล้านสี่แสนชื่อนะคะแล้วแล้วผัสาประเภทไหนที่เขาจะต้องพึงระวังหรือว่าการกระทำทางวาจารเวทไหนที่เรียกว่าทำได้อันไหนที่ทาไม่ได้ เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะต้องกลาวเรียนถามท่านต่ อ, อดิฉันจะขอพูดถึงเรื่องโครงการต่อให้จบนิดนึงว่าอยากจะอนุโมทนาดังๆกับผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาทำบุญใหญ่ครั้งนี้เพราะดิฉันถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษสุดเราไม่ได้เอาเงินนำหน้าในการทำงานเลยเราใช้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนว่าไม่ให้ทำเนี่ยผลที่มันเกิดกับประเทศไทยอย่างเช่น ที่ท่านถามว่าสัมมาวจาคืออะไรบ้างถูกไหมคะใช่ไม่ให้พูดโอดเข้าใจง่ายว่าไม่ให้โกหกอช่ฮะ uh huh. ไม่ให้พูดสอเสียด uh huh. เข้าใจได้ว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะหมายถึงไม่ให้พูดให้แตกความสามาัครคีสังคมไทยเนี่ยเราเผลอพูดกันที่บนโต๊ะอาหารพูดกันในที่ทำงานไอ้พูดบนเวทีนะั้นมันปรากฏจงแจ้งแต่ก็จะได้เห็นว่ามันเหมือนกับเราแยก ไอ้ความเป็นคนไทยอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยด้วยปากแทๆ้ๆนะคะกับในส่วนของสุดท้ายก็คือไม่พูดเพลเจอเนี่ยค่ะดังนั้นองค์กรต่างๆที่มาร่วมมือองค์กรนาก็คือก ร, อระทรงวันธรรมมีสำนัก ง, งานคณะกรรมการกา ร, กา ร, รศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณะกรรมการการเลือกตั้งปริศนีไทยบริษัท AIS มลูลนิธิบิ๊กซีสำนัก ง, งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และยังมีห้างสรรพสินค้าเป็นต้นว่าเซ็นทรัลแล้วก็อื่นๆที่จะงอกงามขึ้นมาอีกมีผลิตภัณฑ์เด่นที่เต้ขออนุ ญ, ญาตที่จะพูดในที่นี้เลยนะค ะ, ะเพราะว่าพวกเราก็หาสะดุ้งสะางทำงานก็หาไม่ได้เจ้านี้เป็นเจ้าแรกก่อนอเพราะว่าเขาก็เห็นคุณค่าของปากนะคะก็เลยขอเวลาท่านพปบูลล้มเข้ามานิดนึงก่อนที่จะถามคาถามท่านทีนี้พูดมาถึงขนาดนี้ ถ้าท่านมีอะไรที่จะเพิ่มเติมที่จะเพิ่มน้ำหนักในการที่จะให้คนไทยเห็นคุณค่าของหลักธรรมข้อนี้ของพระพุทธเจ้าก็อาราธนาท่านเลยค่ะอืคนที่มีความเห็นว่ารู้ว่าอันไหนเป็นสมาวาจาอันไหนเป็นมิฉาวาจาความเห็นนี้เป็นสมาธิธิแล้วคนที่มีสมาธิธิแบบนี้เนี่ยนะจะเป็นผู้ที่เรียกว่าน้อมโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่มันเป็นผลพวงของการทํามาตรงนี้มันจะเกิดขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเพียรเรื่องจะเป็นสติสัมปชัญญะอะไรมันก็จะเกิดมาจากตรงนี้แล้วมันมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราสร้างความสามัคคีกันได้ง่ายๆจะ่มัาไม่ต้องเอาลงทุนอะไรมากก็แค่เรื่องปากเท่าทนั้นเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่พูดมาก็คิดว่าครบถ้วนอยู่ค่ะก็ต้องบอกว่ามีการตั้งทูต เขาตั้งเก้าคนนะคะแต่ว่าคนที่เก้าเนี่ยเป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศเป็นทูตสัมมาวจามีหน้าที่ก็คือโฆษณากันต่อไปเชิญชวนให้คนช่วยกันพูดสัมมาวาจาร์ดีดีนะคะอาจารย์ทีนี้มาถึงคำถามของเราค่ะการดูลมหายใจขณะขับขี่ยานพาหนะ สงสัยคุณบุญธรรมเนี่ยอาจจะได้ฟังใครพูดในรายการหรืออาจจะเป็นดิฉันเองที่ยกตัวอย่างว่าพยายามดูลมหายใจอืขณะขับขี่ยานพาหนะหรือจะมาจากที่อื่นใดก็แล้วแต่แต่เป็นคําถามของคุณบุญธรรมแล้วนะคะว่าการดูลมหายใจขณะขับขี่ยานพาหนะน่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอ๋อเกิดได้ไหมให้ท่านแสดงความคิดเห็นอื ม, มันเกิดได้ทั้งนั้นเลยนะคะอุบัติเหตุได้ทุกเวลา <laughs> เพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยี่ ในในความเข้าใจของที่ฉันนะคะ อ, อส่วนหนึ่งมันเกิดจากเราประมาทอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากเขาประมาทเ อ, อ, เ, อ, อเพราะฉะนั้นอวบัติเตุมันก็เกิดได้แล้วน ะ, ค, ะคือแค่ว่าสมมุติเราไม่ดูดลมหายใจเราไปเปิดวิทยุอย่างเงี้ยคุยโทรศัพท์มันก็เกิดอวบัตุได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ได้ทั้งนั้นทีนี้ประเด็นคืออะไรทุนบุญธรรมต้องเข้าใจให้ถูกว่าประเด็นที่เราต้องการคือสติเราไม่ได้ต้องการลมหายใจนะเราต้องการสติเข้าใจปะ เพราะนันถ้าคุณจะเกิดสติจากการที่ทำจิตตานุปัสสนาก็ได้ไม่เป็นไรคุณจะเกิดสติจากการที่ทำเวทนานุปัสสนาก็ได้มีความรู้สึกถึงน้ำหนักของตัวเองที่นั่งอยู่บนเบาะมันกดทับลงไปให้มีสติตรงนั้นก็ได้หรือจะมีสติอยู่ในการาาก็เรียกว่าดำรงจิตอธิษฐานการงานคือในขณะกิจที่เราทำอยู่นั่นก็ได้อย่างคนที่ขับรถเลยบ้านเลยที่ตัวเองเอา้าโอ้ตายแล้ว เดี่ยวอยู่นี้ทุกปีเป็นหลายๆปีเนี่ยทุกวันอยู่หลายเป็นหลายๆปีกับมันลืมเลี้ยวได้อย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้สังเกตลมหายใจเขาก็มีสติอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้มีสติในการทํางานก็ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือสติจะเป็นสติระดับไหนก็เอาเท่านั้นแหละค่ะคือย้าอีกครั้งใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าดูลมหายใจขณะขับขี่ยานพาณนะิชน่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ตามที่คุณบุญธรรมบอกมาเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เกิดได้และเกิดไม่ได้ด้วยถูกต้องทีนี้ถามว่าถ้าเราดูลมหายใจในขณะที่ขับรถได้ไหมได้แล้วไม่เกิดอุบัติเหตุได้ไหมได้ถ้าเราฝึกอย่างดีแล้วทําได้ค่ะทีนี้ในฐานะที่ดิฉันเป็นคนที่มีประสบการณ์การดูลมหายใจในขณะขับร ถ, บรถทุกวันนี้ก็ยังพยายามทําอยู่ก็กลับเรียนว่าอันนี้กลับเรียนท่านอาจารย์แล้วก็เผือแผ่ไปถึงท่านทั้งหลาย ใครกำลังขับรถอยู่ลองเลยนะคะในขณะที่ขับรถไปให้รู้ลมหายใจไปด้วยอืถามว่าจะทําให้สมาธิในการขับรถลดน้อยลงไหมท่านลองทดลองดูอืนั่นเองวันแรกๆมันอึดอัดมากแต่ก็ได้พบอย่างหนึ่งว่าอันนี้ดิฉันก็เลยจะถามท่านนะคะดิฉันมีคําถามแล้วนะคะคำถามตัวเองสันสนีเนี่ยจะถามท่านอาจารย์เพลิบุลว่าขณะนั้นเมื่อขับรถแล้วรู้ลมหายใจเนี่ย ดิฉันกำลังตีกรอบของการที่จะเปิดรับสิ่งที่มันอยู่รอบข้างทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจและการขับรถเท่านั้นดิฉันเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะถูกถูกสามารถทำได้สามารถทาได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้โยมต้องดูเฉพาะลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องดูถนน มันก็ไม่ได้มันก็ชนนะสินะคะเพราะนั้นเนี่ยถามดิดิฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเวลาพยายามรู้ลมหายใจพอเราทําชํานาญขึ้นเนี่ยอืมความรู้สึกเหมือนมีสมาธิราวกับนั่งในห้องพระประเด็นประเด็นมันคือตรงนี้ไงคุณโยมติว่าแทนที่เราจะไปคิดเรื่องว่าเรื่องอื่นนะเรื่องต่างประเทศเรื่องที่ทํางานเรื่องเดี๋ยวต้องพูดกับคนนั้นอย่างนี้เรื่องคนที่ด่าเราเรื่องที่ทาให้เรามาเครียดคุณอยู่กับลมหายใจดีกว่า ค่ะก็ดิฉันคิดว่าในสิ่งที่ท่านเพริบูลพูดเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นห่วงนะคะคือทันทีที่เรียนเล่าให้คุณแม่ตลอดจนคนที่รักข้าใหญ่ดีเราฟังโอ้โ ห, โ, หโหวันนี้ขับรถนะพยายามอยู่กับลมหายใจแล้วรู้สึกดีมากเลยทุกคนนะคะตาเหลือกเลยนะใช่คับผมว่าเดียเ๋ยวก็รถชนหลอกอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแต่จริงๆแล้ว หมายถึงว่าจดจออยู่กับการขับรถแต่เพียงอย่างเดียวอยางนั้นไหมคะจดจอยอยู่กับการขับรถแล้วก็ลมหายใจไม่คิดไปเรื่องอื่ น, ไ ม, ไ, นไม่คิดไปเรื่องที่ทําให้เรากังวลไม่คิดไปเรื่องที่ทาให้เรามีจิตเป็นอกุศลแล้วก็อยู่กับการขับรถแล้วก็อยู่กับลมหายใจมันสามารถทําได้คนที่ฝึกดีแล้วทําได้นะคะคุณบุญธรร ม, มคะก็น่าจะเป็นคําตอบที่ทําให้คุณบุญธรรมเข้าใจว่า ดูลมหายใจได้แต่ไอ้ที่น่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ท่านพบบรณ์ลกล้ารับรองไหมคะว่าไม่เกิดดิฉันไม่กล้า <c oughs> โอ้เกิดอุบัติเหตุนี่มันได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว <c oughs> ขณะเราไม่ขับรถมันก็มีม <c oughs> แต่ที่ <c oughs> อธิมารับรองได้เลยนะถ้าคือคุ ณ, <c oughs> คณสังเกตลมหายใจจิตคุณจะเป็นมีสติได้และมันดีอันนี้รับรองได้อันนี้รับรองได้ ท่านช่วยช่วยขยายความเพิ่มขึ้นว่ามีสติแล้วมันดียังไงหรอคะรู้ลงหายใจขณะขับรถมีสติเนี่ยเป็นธรรมอันเอกเลยที่จะทําให้สิ่งต่างๆตามมาหมดนะแล้วก็มีสติในการขับรถเนี่ยเราก็จ ะ, ะสามารถที่จะควบคุมสติเราเวลารถปาดหน้าอะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีได้จริ ง, รงๆการมีสติแบบนี้ยิ่งทําให้อุบัติเหตุลดลงด้วยซ้ำในการนะที่ระวังจากสิ่งอื่นมานะ ค่ะทีนี้มาถึงคําถามต่อเนื่องกันนะคะคลา้คลายกันนะคุณบรรธมก็ถามว่าพุทธเจ้าบอกว่าขณะขับถ่ายอุจจาระเนี่ยไม่ควรอ่านหนังสือหรือแปลงฟันไปพร้อมๆกันท่านตรัสแบบนี้จริงๆหรือคะ น, นั่อในในขณะที่กําลังทํากิจอยู่ในห้องน้ําเนี่ยไม่เคี้ยวไม่ใช้ไม้ชําระฟันถ้าใครใช้เนี่ยอ่าห้ามเป็นอาบัตมันก็คือว่าห้ามแปลงฟันไปพร้อมกับถ่ายอุจจาระไม่ควรทําอันนี้เป็นพราะวินัย ถูกต้องเป็นริง<ม>่งที่ <คน S 1> <า>ห้ามันหห้ามเป็นอาบัตเป็นความผิดมีเหตุผลไหมคะเพราะว่ามันเคยมีคนเรื่องต้นบรรยายก็คือว่ามันไม้จำรัฟันไปติดคอในขณะที่ถ่ายทุกอยู่แบงหนักเกินไปแล้วเนี่ยก็ติดคอเงี้ยนะอ๋อก็เลยห้ามเรื่องนี้ค่ะและการทำสมาธิและฝฟังพระบรรยายธรรมไปด้วยได้ไหมคะได้สามารถทำได้สมาธิอยู่ที่จิต นะถ้าจิตสิ่งใดๆที่แวดล้อมจิตอันเป็นหนึ่งนะนั่นแหละคือสมาธิอะไรตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้นะสติอะไรทุกอย่างได้หมดถ้าแวดล้อมจิตอันเป็นหนึ่งอยู่จิตอันเป็นหนึ่งนั่นแหละคือสมาธิถ้าคุณฟังธรรมอยู่เข้ามาทางหูใช่ไหมจิตคุณเป็นหนึ่งอยู่นะนั่นแหละคือการฟังธรรมแล้วโดยที่จิตเป็นสมาธิได้ค่ะคือก็มาถึงสรุปโดยข้อสงสัยที่คุณบุญธรรมถามว่า ไอ้สามข้อข้างต้นที่ถามมันดูคล้ายๆกันแต่ความจริงผมเข้าใจให้มันจะขัดกันไปในตัวที่ว่าจิตทํางานได้ทีละอย่างอ๋อเรื่องของจิตทํางานได้ทีละอย่างเนี่ยหมายความว่าจิตที่ทําหน้าที่ตรงนั้นไงอย่างสมมุติว่าวิญญาณเนี่ยคือจิตถูกไหมวิญญาณเนี่ยคือทําหน้าที่รับรู้นะวิญญาณทางตาก็อันหนึ่งวิญญาณทางหูก็อันหนึ่งวิญญาณทางจ ม, มูกอลิินกายใจนี่ก็แต่ละอันอยู่แล้วนะวิญญาณเนี่ยมีทั้งหลายทางอยู่แล้วพระเจ้าบอกไว้ไม่ได้เราไปดูหนังเนี่ยเรายัง ฟังเสียงพร้อมกับดูเห็นตาเห็นภาพเอาทําไมมันเป็นไปได้ก็มันเป็นไปธรรมชาติอย่า ง, งา น, นั <c> ้นกองมันค่ะกระทำบอกว่าแต่วิ ญ, ญญาณเขาละเอียดเกินกว่าที่เราจะมานับได้วิญญาณที่ทําไปเหมือนกับดูหนังฟังเพลงฟังเสียงไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาทาทีละอย่างถูกไหมคะหรือว่าเขาทำไปพร้อมกันเ <c> ขาทาไปพร้อมกันวิ ญ, ญญาณที่ทําหน้าที่รับรู้ตรงนั้นนะ <c> วิ ญ, ญญาณที่ทําหน้าที่รับรู้ตรงนั้นแต่วิ ญ, ญญาณของจิตนี้ก็จะอีกอย่างหนึ่ง ค่ะนะคะก็น่าที่จะเป็นคำอธิบายที่พอสมควรแล้วเพราะว่าไม่พอสมควรก็ต้องพอแล้วหมดเวลาค่ะท่านเพิรบูลครับ <c oughs> นะคะวันนี้ก็ต้องนมัส ก, การขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนมัส ก, การค่จะเฟ <c oughs> ค่ะ p ิเอ t ธร m ม .com/ 1 0 6นกนั่นก็คือที่ที่ท่านทั้งหลายจะถามคำถามมาได้เหมือนกับที่คุณบุญธรรได้ถามท่านเพิรบูลมาส่วนศูนย์สานะคะ ติดต่อทางสถานีเกี่ยวกับรายการสันสนีสนทนาทุกเรื่องวันนี้พุทธ ว, วัสดีค่ะ